ที่คั่วลงเหนือกับคั่วลกใต้นี่มีสัตว์ชนิดหนึ่งเนะี่ยที่ชุมมากนะคือแมวน้ําแต่ในเวลาเดจอกันเนี่ยก็มีสายชนิดหนึ่งที่มีไม่น้อยเหมือนกันนะคือปลาวานและปลาวานบางชนิดนี่มันตามล่าแมวน้ำนะเพราะแมวน้ำนี่เป็นอาหารโปรดของมันเลยปลาวานนี้เรียกว่าออกก้านะหรือปลาวานเพชฌฆ า, าเวลา แมวน้ำเนี่ยลงน้ำไปหาเหยื่อเนี่ยมันต้องระวังนะไม่ใช่ว่าจะไปสนใจแต่ปลาอย่างเดียวที่จะกินเป็นอาหารมันต้องระวังปลาใหญ่นะซึ่งเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เรียกว่าปลาแนละ้วคือวานนะแต่ว่าเราก็ยังคุ้นะเรียกว่าปลาวานปลาวานปลาวาน อ, อกกากาเนี่ยมันก็จะกินแมวน้ำได้โดยเฉพาะเวลาที่แมวน้ำนี่ลงน้ำยังสารที่ปลอดภัยของ แมวน้ำคืออยู่บนน้ำแข็งหรือแผ่นน้ำแข็งอ่าขั้วลกเหนือขัอ้วลกใต้นี่มันมีแผ่นน้ำแข็งนะที่อ่ใหญ่นะกว้างแมวน้ำอยู่บนแผ่นน้ำแข็งนี่ก็ปลอดภัยแต่ว่าก็ไม่แน่เสมอไปนะเพราะว่าก็เพราะว่าเาานี่ยมันมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในขั้วโลกใต้ แมวน้ำเนี่ยแม้ว่าจะอยู่บนแผ่นน้ำแข็งนะก็ไม่ได้แปลว่าจะปลอดภัยนะจากออกา้าหรือประวานพชจัขามมมีคนถ่ายทำคลิปนะั้นแล้วพบ ว, ว่าเนี่ยสมมุติว่ามีออกก้าตัวหนึ่งเนี่ยไปเจอไปเห็นแมวน้าเนี่ยอยู่บนแผ่นน้ำแข็งเนี่ยสิ่งอย่า ง, างแรกที่มันทาคือไปเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมา มาหลายตัวเลยเรียกมาทำไมนะเพื่อมาช่วยกันช่วยกันยังไงช่วยกันเอาแมวน้ำเนี่ยลงมาจากแผ่นน้ำแข็งมันทำยังไงนะอย่างแรกที่มันนำคือมันก็จะพร้อมใจกันขยับขยื่นหางเป็นจังหวะเลยนะพร้อมกันเลยเพื่อทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำ คลื่นใต้น้ำเนี่ยมันก็แรงพอที่จะไปกระทุ่งกระแทกแผ่นน้ําแข็งเนี่ยให้แตกเป็นชิ้นเล็กๆก็กลายไปว่าน้ําแข็งแผ่นใหญ่ที่แม่น้ําอยู่อย่างปลอดภัยเนี่ยตอนนี้มันเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วเพราะว่าแผ่นน้าแข็งมันก็เล็กลงแล้วพอแผ่นน้ําแข็งเล็กลงทําไงนะเปลาวาลก็จะคล้ า, ายๆกนนะ็ช่วยกันดุลนะช่วยกันดันแผ่นน้ําแข็งที่แม่น้ําอยู่เนี่ย ออกไปกลางทะเลที่มันโล่งๆหน่อยแล้วคนนี้ก็พร้อมใจกันนะทำคลื่นคราวนี้ไม่ใช่คลื่นใต้น้ำนะจะเป็นคลื่นเหนือน้ําเลยเพื่อจะซัดแมวนั้ำเนี่ยให้ลงให้ตกลงมาจากแผ่นน้ําแข็งพอแมวน้ำเนี่ยอยู่ในทะเลอยู่ในน้ำเนี่ยคราวนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วแต่ปรวรา น, นี่ยังไม่ทําแค่นั้นนะยังช่วยกันเนี่ยปล่อยฟองอากาศ ตคนต่างตัวต่างคนต่างก็ปล่อยฟองอากาศเพื่อทําให้แมวน้ํานี่มึนงงเจอฟองอากาศรอบตัวนี่มันมึนงงนะแล้วมันก็เลยไม่รู้วิธีป้องกันตัวป้องกันตัวไม่ได้แล้วปลาวานก็ได้ทีนะงับแมวน้ําแล้วก็แบ่งกันเป็นการงับแมวน้ําโดยที่มันไม่เจ็บปวดเลยเพราะว่าแมวน้ํานี่มันงงแล้ว พอถ้ามันไม่งงมันก็จะต่อสู้ขัดขืนปลาวานก็อาจจะมีบาดแผลแล้วที่ถ้ามีแบาดแผลแล้วเนี่ยมันก็รักษาตัวลำบากอันนี้มันเป็นความชาญฉลาดนะของปลาวานออ ก, กาเนี่ยซึ่งคนคนเราเพิ่งเห็นนะว่ามันฉลาดมันมีสติปัญญามันไม่ใช่แค่รอให้แมวน้ำเนี่ยลงมาจากมันไม่ใช่แค่รอให้แมวน้านเนี่ย ว่ายน้ำเพื่อหาเหยื่อนะแม้อยู่บนแผ่นหินแผ่นแม่น้ำแข็งเนี่ยมันก็หาทางทำให้แมวน้ำนลงมาสู่ทะเลได้แต่ครนี้มันก็มีเหตุการณ์ประหลาดอีกอย่างนึงเกิดขึ้นนะคือมีคนพบว่าขณะที่ปาวันออ ก, การ์เนี่ยกำลังจะเล่นงานแมวน้ำด้วยยุทธวิธีอย่างที่ว่านี่ บอกว่ามันมีปลาวานอีกชนิดหนึ่งโผล่ขึ้นมาเป็นปลาวานหลังค่อมตัวใหญ่มากมาเพื่ออะไรมาเพื่อขัดขวางการหาเหยื่อของปลาวานออกก้าพูดงนนคือมาช่วยแมวน้ำตัวที่กำลังจะตกเป็นเหยื่อก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้นะใช้ดโดรนเนี่ย ก็แปลกใจมากว่าปกติเนี่ยปลาวานหลังค่อมเนี่ยมันไม่คยอย่างมายุ่งเกี่ยวกับออกกานะเพราะออกกาเนี่ยมันมันชอบนะชอบกินลูกปลาวานหลังคอ่อมปลาออกกาตัวมันเล็กนะแต่ว่ามันกินไม่เลื่องนะม้กทั่งปลาฉลามก็กินลูกปลาวานหรือปลาวานหลังค่อมตัวเมียมันก็กินเพราะมันสัตว์กินเนื้อแต่ปลาวานหลังค่อมนี่มันไม่ได้กินสัตว์นะ ไม่ได้กินสัตว์ใหญ่แต่การที่มันโผล่มากลางวงเนี่ยนะเขาก็เชื่อว่ามันมาเพื่อจะช่วยช่วยแมวน้ำเพราะมันก็เป็นเป็นเหตุการณ์ที่น่าถึงมาเพราะไม่เคยมีใครเห็นปาวาลหลังคอมนี้มายอมเสี่ยงอันตรายนี่กลางวงออง ก, กาเนี่ยเพื่อมาช่วยแมวน้ำแต่ว่า กรนีนี้ช่วยไม่ทันนะแมวน้ำมันอยู่ในปากของออกาแล้วแต่ที่แปลกใจคือออก้ารนี่มันไปคาบแมวน้ำมาแล้วว่ายตรงมาที่ป่าวันหลังคอมเหมือนจะบอกว่าเนี่ยดูสิดูสินะฉันได้กินแล้วนะแค่ถ้ามาเยอะอยันมาเนี่ยแกช่วยไม่สาเร็จหรอกฉันกินเรียบร้อยแล้วฉันจับมาเรียบร้อยแล้วเออมันก็มีอ่าคล้ายๆว่ามีพฤติกรรมคล้ายๆคนเลยนะ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าปาวันหลังค่อมเนี่ยมันก็มีน้ำใจนะอยากจะช่วยแมวน้ำที่ตกเป็นเหยื่อทั้งที่ก็เป็นคนละสายพันธ์กันสัตว์นี่มันก็มีน้ำใจนะบางทีมันไม่ใช่แค่นึกถึงเพื่อนต่างพันธ์นะแม้นพื่นพันธ์เดียวกันมันก็นึกถึงเหมือนกันแล้วบางทีมันก็นึกถึงแบบที่เราอาจจะคาไม่ถึงก็ได้นะยังไม่มีคลิปนะ ประเทศจีนผู้ชายกำลังกินไก่ย่างจูจูหมานะที่ตัวเองเลี้ยงไว้เกราฮามันก็มาเห่านะมาเห่ามันก็ขอส่วนแบ่งแถมยังคาบเอานะน้ำอัดลมมาให้ด้วยคล้ายๆว่าเรียกร้องความสนใจเรียกร้องรางวัล เจ้าของนี่ก็ตัดแบ่งให้นะไก่ย่างให้ไปขาหนึ่งหมาเนี่ยได้ไก่ย่างก็ดีใจนะคาบขาเนี่ยไปออกไปนอกบ้านแต่ปรากฏว่าไม่ได้กินเองนะเอาไปวางไว้ตรงแผ่นหินหแผ่นหินเนี่ยไปดูใกล้ๆปรากฏว่ามันเป็นแผ่นหินที่จารึกจารึกชื่อของหมา ที่เคยเป็นเพื่อนที่ตายไปตรงนั้นเป็นสุสานนะเป็นหลุมฝังศพของหมาตัวก่อนหน้านั้นนะแล้วก็มีแผ่นหินจารึกชื่อแล้วก็รูปของหมาเจ้าของคงรักหมามากนะตายแล้วก็ฝังหมาที่รักไว้ในสุสานในเขตบ้านถามว่าหมาตัวนั้นเนี่ยเอาไก่ย่างเนี่ย ขาไก่นี่ไปวางไว้ตรงไหนตรงนั้นทําไมก็คงอยากจะให้เพื่อนกินนะเพื่อนที่ตายไปแล้วเนี่ยอยู่ปราโลกเนี่ยเพราะคนจีนก็มีธรรมเนียมนะว่าใครที่ตายไปเขาก็มีการเส้นไหวเอาเป็ดเอาไก่ไปเส้นไหวให้กับบรรพบุรุษหรือคนรู้จักที่ตายจากไปหมาตัวนี้เนี่ยมันก็คงจะเรียนรู้พฤติกรรมวัฒนธรรม ทรรเนียมนะของเจ้าของพอเพื่อนตายไปก็นึกถึงเพื่อนอยากให้เพื่อนได้กินไก่ย่างมันก็เลยเอาไก่ย่างเนี่ยขอจากเจ้านายมาให้อันนี้มันอาจจะเป็นการแสดงก็ได้นะเพราะว่าหมาอาจจะไม่ได้มีความคิดแบบนั้นจริงๆก็ได้แต่เราเห็นแล้วก็เออมันก็น่ารักดีนะแล้วก็เป็นไปได้นะว่าหม า, า จ, จะมีความคิดแบบนั้นก็ได้ แต่ถ้านึกต่อบแล้วถ้าเป็นเมืองไทยนี่มันจะทํำยังไงนะเพราะคนไทยเราก็โดยเพาะชาวพูดเราก็ไม่มีธรรมเนียมเส้นไหว้เราก็มีธรรมเนียมนะนะทําบุญทุทิยให้กับผู้ที่ลงลับแลเดี๋ยวนี้เราก็ทําบุญทุทิยให้กับหมาแมวที่ลงลับน่าคิดนะว่าถ้าหมาแมวที่เราเลี้ยงเนี่ยนะมันเห็นพฤติกรรมของคนไทยเนี่ยก็อาจจะเวลานึกถึง เพื่อนที่ตายจากไปอยู่พอระโรค ก, ก็อาจจะอยากจะมาทำบุญอาจจะเอาอาหารมาถวายพระแล้วก็ให้พระนี่ก็ทาบุญฤทธิ์ให้นะพฤติกรรมของหมาจีนกับหมาไทยอาจจะแตกต่างกันนะเพราะว่ามาเรียนรู้แตกต่างกันที่จริงอันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็พบว่าสัตว์เนี่ยต่างถิน่นต่างที่เนี่ยนะมันมีพฤติกรรมแตกต่างกันไป อย่างเช่นภาษาเนี่ยเขาบว่าปลาก็ดีเวลาหาคู่เนี่ยเปลาคอตในเวลาหาคู่เนี่ยมันจะส่งเสียงแต่เสียงที่ปลาคอดแต่ละที่หาคู่ใช้ในการหาคู่เนี่ยไม่เหมือนกันเพี้ยนกันนิดหน่อยจิงจอกเหมือนกันนะเวลาเวลาเวลาหอนเนี่ยก็แต่ต่างที่ต่างแห่งก็จะหอนเสียงเพี้ยนกันนิดหน่อย ลิงก็เหมือนกันนกก็เหมือนกันร้องก็แตกต่างกันเหมือนกับว่ามันมีสำเนียงที่เพีย้ยนหรือภาษาที่เพีย้ยนคล้ายค้คนเราคนเราเนี่ยภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานพูดภาษาเดียวกันแต่ว่าสำเนียงมันไม่เหมือนกันสัตว์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเรารู้เพราะว่าเขาใช้ AI ไเนี่ยไปทําการวิเคราะห์เสียงของสัตว์นานาชนิดเพราะว่าเสียงของสัตว์แต่ละ แต่ละเท่เนี่ยซึ่งใช้ในการสื่อสารเนี่ยที่เราเรียกาภาษาเนี่ยมันแตกต่างกันมันเพียงกันนิดหน่อยป่าวานก็เหมือนกันและต่อไปเราจะพบ ว, ว่ามันมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่มันแตกต่างกันไปด้วยเป็นเรื่องของการเรียนรู้ไม่ใช่จากคนนะแต่ว่าจากกันและกันหรือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนตามสถานที่รวมทั้งการใช้วิธีการในการล่าเหยื่ออย่าง ออกกาที่ล่าเหยื่อด้วยวิธีที่ว่าเนี่ยนะในโครลกใต้เนี่ยก็เพราะว่ามีแค่ร้อยตัวเท่านั้นนะที่ทําอย่างนี้ได้แล้วก็เฉพาะออกกาในโคนลกใต้ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยไม่รู้วิธีนี้แสดงว่ามันมีมันเรียนรู้มันถ่ายทอดนะและเป็นการเรียนรู้ที่ถ่ายทอดที่ขึ้นอยู่กับเฉพาะที่เฉพาะแห่งตรงนี้เราจะเรียกว่วาัฒนธรรมกันนะวัฒนธรรมนี่มันเป็นเรื่องการเรียนรู้และถ่ายทอด ไม่ใช่เป็นเรื่องสัญชาตติยานอย่างเดียวเพฉะนั้นภาษาของสัตว์เนี่ยพฤติกรรมในการหาเหยื่อการหาคู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องสัญชาตติยานล้วนๆนะมันมีการเรียนรู้นะจากกันและกันก็เลยมีมีความเพี้ยนมีความแตกต่างกันแต่และท้องถิน่นเพราะฉั้นเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ที่สัตว์ก็จะมีวัฒนธรรมเหมือนกันไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่มีวัฒนธรรม